28มิถุนายนพุทธศักราช 2,550 ด้ารดาวโหลดเสียงอ่านและติดตามงานเขียนของคุณดังตรินทั้งหมดฟรีได้ที่ดังเตรมคอมดูองทรอนคอมเสียงอ่านโดยโจโฉอนุสร์ปรีโสภา วันที่คิดได้ก็สายไปเสียดายเธอคิดชีวิตต้องดูอ ย, ย่าวไกลเสียดายคนตายเธอต้องการเป็นไปต้อยรู้มีเห็นไม่อาจความจริงเสียพลอยไป คน